ทนฟังที่ครบค้ารายการสันนิษฐานนาดําเนินรายการโดยสันนีนาพง์มาถึงช่วงเวลาที่สองหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติกับพระมาชาควโรตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมเพื่อ น, นำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมากขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะกับพระภบูร์อภิปุนโนคะ่ะ นสุสกาณ์คะท่านคริมพาลค่ะวันนี้มีเรื่องของความน่าสลดใจมากอืมแล้วก็ข่าวก็เขียนได้ชวนให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นอกเขยนใจคล้อยตามต้นหัวเลาะเลยค่ะข่าวก็เขียนแบบได้อย่างอารมณ์เนาะได้อารมณ์เนาะใช่ค่ะคือเป็นเรื่องที่ลูกค่ะ อ, อายุสี่สี่ Oh. ยอมเอาตัวไปปกป้องคุณแม่อายุ84 mm hmm. ที่ชราแล้วนั่งอยู่บนรถเข็นที่เขาเข็นกลับมาจากนา oh. ก็คงจะเป็นรถเข็นแบบบ้านๆนะนะคะ mm hmm. แล้วเกิดกลางทางมาเจอพายุพายุไปพัดเจอรังต่อรังต่อก็ตกใจพายุแตกกระจายออกมาแต่ว่า mm hmm. มาเขาเรียกอะไรคะต่อยมารุมต่อยอ่ามารุมต่อย คุณแม่เธอที่จริงหลบในที่กำบังได้แล้ว oh. แต่พอเห็นคุณแม่ซึ่งติดอยู่ที่รถเข็นหลบไม่ได้ก็เลยวิ่งมากอดคุณแม่ไว้ต่อก็ต่อยเธอจํานวนมากหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ถูกห้าจุดนะคะไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราแก่แล้วออื mm. แต่ลูกสาวเนี่ยหมอให้ยาแล้วให้กลับไปบ้าน mm. ไปเสียชีวิตที่บ้านกันนะคะออื mm. คุณแม่ไม่เสียชีวิตแต่ลูกเสียชีวิตโหแย่เลยเนาะใช่ค่ะ ในฐานะที่ยังเป็นคนที่ยังมีเวทนาอันเกิดจากผัสสะมีสติดูแลได้บ้างไม่มากนักนะคะเป็นคราวๆไปก็สลดใจธรรมดาค่ะใช่เกิเวทนาเรื่องเรื่องความตายนี้มั น, มนแน่นอนแหละคุณโยมติว๋วไม่ว่าใครจะตาย เ, เราเราเห็นเรื่องราว่างๆเหล่านี้เราก็ความสลดสังเวชที่เกิดขึ้นเนีน่ยนะจริงๆดีมากเลยนั้นะจริงๆเห็นแล้วควรจะเกิดความสลดสังเวชด้วยซ้ำว่า โอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ ย, ยชีวิตมันตายกันง่ายนะมันเปลี่ยนแปลงได้นะไม่เที่ยงนะในความสลดสังเวชตรงเนี้ยที่พระเจ้าบอกว่าให้ให้เห็นให้เกิดมีแล้วก็ยังชักชวนไปดูสถานที่สี่สถานนะที่สังเวชนียสถานนะนะเพื่อให้เกิดความสังเวชตรงนี้แหละนี่คือประเด็นสังเวชนียสถานนี่แหละค่ะในลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นสังเวชนียข่าวใช่ไหมข่าวที่ทําให้เกิดความสังเวชค่ะจริงๆค่ะ สังเวชนิย a า a n คือเป็นสารเป็นข้อมูลข่าวสารที่มาแล้วชวนเกิดสังเวทแต่ท่านกำลังจะวิเคราะห์ว่าเราเห็นทำอะไรจากเหตุการณ์ น, นี้ใช่ค่ะอะนับแรกนะเราจะเห็นว่ามารดาเนี่ยมีหน้าที่ช่วยเหลือเขาเรียกว่าอะไระดูแลบุตรดูแลบุตรตอนที่บุตรยังเล็กๆอยู่นะห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาล่ะทีนี้หน้าที่ของบุตรเนี่ยเมื่อมารดาบิดาแก่เท่าแล้วเนี่ย ก็ดูแลท่านเมื่อยามแก่เท่า <Okay. S 1> ดูแลท่านเมื่อยามแก่เท่าเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณลูกที่อายุ40กว่าเนี่ยก็มา <Okay. S 1> ดูแลคุณแม่ที่อายุ80กว่านี่ <Okay. S 1> โอ้บุญกุศลนะเนี่ยทำหน้าที่ถูกต้องแล้วในคะติที่ไปนี้ไม่ไปไหนเลยนอกจากสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบุคคลที่เป็นอย่างเงี้ยก็จะใบบรรเทิงในสวรรค์ได้นะ <Okay. S 1> ทําหน้าที่ของตัวเองทําไม่เราเห็นแง่มุมอีกว่าเการตายอย่างไม่งดงามเนี่ยเช่นว่าตายโหงหรือว่าถูก ในกรณีนี้ถูกต่อตอยตายเนี่ยก็มไม่ได้เสมอไปว่าจะไปที่ไม่ดีเนาะก็ไปที่ดีก็ได้นะคือดิฉันคิดว่าอันนี้เราจรินตนาการแบบหนังไทยเลยนะคะออือคือคนตายเนี่ยก็ชื่อคุณหนูอาอมนามสกุลอสามทองออดิฉันเข้าใจว่าในยานที่เขาเจ็บหนักเขาคงจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างอย่างน้อยเขาก็ได้ ตอบแทนบุญคุณของมารดาในระดับที่สุดที่เขาจะทำได้แล้วณสถานการณ์นั้นคือปกป้องไม่ให้แม่เจ็บหนักจากการถูกตอตอคอยจิตก็เป็นกุศลกุศลแน่นอนใช่ทีนี้เวทนาที่เกิดขึ้นทางทางกายเนี่ย เ, เวทนามันทุกข์มันสุขมันมีแน่นอนไม่ใช่ว่าเราจิตเราไปอยู่กับทุกขเวทนาแล้วเราจะไปที่ไม่ดีอันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่ นะคือทุกขเวทนาเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่นะในทุกขเวทนาเนี่ยมีได้นะคุณมีสติอยู่ในทุกขเวทนาได้เนี่ยก็ไม่ได้ไปนรกกาเนิดเดรัจฉานอยู่แล้วเพราะว่ามีสติอยู่นะคือจิตที่ไหลเพลิดเพลินไปกับสุขเวทนาต่างหากนี่แหละจะพาไปนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้ค <Okay. S 1> ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราจะ ลกายนี้ไปแล้วได้กายใหม่อย่างเงี้ย น, นะมันอยู่ที่จิตเราคิดอะไรถูกไหมใช่ใช่ท่านคะทีนี้นอกเหนือจากธรรมะอย่างเช่นเห็นว่าชีวิตตายง่ายนะคะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงแล้วก็ได้ทำหน้าที่ตามธรรมะของบุตรพึงกระทาต่อบิดามารดาส่วนหนึ่งละดูแลท่านยามแก่เท่ามีอย่างอื่นอีกั้ยคะที่มองเห็นธรรมจากกรณีนี้ค่ะแล้วมาเห็นเจ้าตัวต่อตัวแต่นี่แหละว <laughs> ่า เขาก็เป็นสัตว์ที่ที่เรียกว่ารู้จักป้องกันตัวเอง<ม>ป้องกันตัวเองคือคือสัตว์เดรัจฉานส่วนมากนะก็จะเป็นธรรมชาติที่มีความหลงอยู่แล้วความหลงเนี่ยหมายถึงว่าไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอ่ะฉันก็เออเขาเรียกว่าจัดการก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังลักษณะนี้ ค, คือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเลยแล้วเพราะนั้นเขาก็ทำหน้าที่ขุนเขาเป็นธรรมะที่ให้เราเห็นว่าโอ้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนะี้นะเป็นภพภูมิที่ ไม่น่าไปเลยไม่ควรไปยุ่งอย่างยิ่งอนะอ๋อค่ะคือได้รู้ว่าถ้าตามธรรมธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานมีความหลงเป็นธรรมดาเป็นเจ้าเรือนเขาจึงไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาไปรุมต่อยอยู่นะ่ะมันทําให้เกิดการสูญเสีย้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานที่จะ อ, อมีกําลังมากกว่าก็เบียดเบียนคนที่มีกําลังน้อยกว่านะท่านคะคนก็มีนะคะ มีกำลังมากกว่าระเบียดเบียนคนอื่นไม่เห็นต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยค่ะก็คนนั้นมีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานไงอืมค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ว่าใครนะคือหมายว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยมีธรรมชาติของความเบียดเบียนมีธรรมชาติของความเป็นสัตว์เดรัจฉานคติที่ไปของเขาเนี่ยก็คือจะไปสู่ในลักษณะพบที่จะมีการเบียดเบียนพบที่จะต้องมีการใช้กําลังอย่างนั้นเพราะเขาชอบอย่างนั้นใช่ไหมนั่นก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานเพร า, าระฉนั้นคือแน่ น, นอนเข้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ท่าปบุคคคะท่านกล่าวว่าอตอบคำถามที่ฉันว่าเพราะคนที่ทำในสิ่งที่เบียดเบีย น, ยนค น, นอื่นเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเท่ากับท่านกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์โดยปกติแล้วจะไม่มีความเป็นแบบนี้หรือยังไงคะมนุษย์นะคุณโยมติว๋วธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือรักษาสีนหน้าคุณรักษาศีห้าคุณจะไปเบียดเบียนอะไรใครอะ โอ้ยดีมากๆเลยคำที่รักษาสีหน้าเนี่ยคือปกติของมนุษย์มนุษย์ที่ไม่ใช่เอ า, อางี้กว่าบุคคลที่ไม่ใช่รักษาสีหน้าเาเรียกไม่เรียกมนุษย์หรอกเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เดินได้สองขานะนะคะ <c oughs> มันเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะเสียแฟนรายการะร <c oughs> เพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังทำลำบากไม่ครบทั้งๆที่อยากทาเช่นสินข้อโกหก นะคะบางคนบอกว่ามีความจำเป็นบางทีก็บอกว่าโอ้โหนี่ภรรยาเนี่ยทั้งรักและเคารพเลยแต่ไม่โกหกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นต้นแล้วก็ยังดื่มอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่ได้ทาร้ายใครนะก็ดื่มอยู่ในที่ตั้งนะคะไม่แปอาละวาดใครไม่ไปเบียดเบียนใครเนะี่ยแล้วจะไม่เป็นมนุษย์ได้ยังไงค่ะ ก, ก็มาตรฐานที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะก็คือเรื่องของศีล ทีนี้ว่าตอนนี้เราเป็นพบมนุษย์อยู่เพราะว่าความที่เรามีบุญกุศลมาได้ทําอะไรมาต่างหรือเหตุปัจจัยยังไงก็แล้วแต่ละเรามาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราทําได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นก่อนนะให้จิต ย, ยังไงของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นบุญเป็นกุศลก่อนแล้วก็ค่อยๆทําเพิ่มนะแต่ขอให้รู้ก็แล้วกันว่าท่านกําลังเสียความเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ใช่การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ย แปลว่ามาตรฐานมันมีอยู่ครบห้าข้อถูกป่ะคะถูกต้องถูกต้องแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจโดยสภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ะะจะมีเพื่อนชั่วหรือว่าอยู่ในที่มีลักษณะของความหลงอยู่ได้รับข่าวสารไม่ถูกต้องค่ะแต่ยังมีโอกาสาตรบได้ที่ยังมีลมหายใจใช่ใช่นะคะที่จ ะ, ะแก้ไขกันไปแล้วก็จะทําให้เราเป็นมนุษย์ปกติท่านคะ นอกเหนือจากเรื่องศี่ห้าแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นมนุษย์มาตรฐานเท่าที่มนุษย์ควรจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคะมีแตกต่างไปจากนี้ไหคะก็ถ้าคุณปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปในความปกติของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ศี่8ขึ้นไปนะสำหรับสำหรับมนุษย์สําหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือศี่8ขึ้นไปทีนี้เรากลับมาที่คนธรรมดาก่อนในคนธรรมดาก่อนที่พูดถึงศีล5้เนี่ยบางทีพุท้เช้าก็เอาศีลข้อ5เนี่ยออกไป นะเอาข้อดื่มสุราออกไปแล้วเอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเนี่ยมาใสา่แทนเนี่ยจึงเป็นเจ็ดข้อคือคไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รุบปิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่พูดเพ้อเจ้าไม่พูดก่ำหยาบไม่พูดส่อเสียดในีเจอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของคนปกติเหมือนกันเอาการระมัดระวังในเรื่องของการพูดมาแทนในศีลข้อสุราถูกต้องวันก่อนไม่มีโอกาสกลับเรียนถามท่นต่อจําได้ที่ท่านพูดว่าคนเราเนี่ยปล่อยให้ ผิดทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันไม่ดีแล้วท่านก็ยกตัวอย่างของการดื่มสุรานะคะทีนี้ที่ท่านจะกล่าวเรียนถามท่านในเมื่อท่านพูดว่าสิ่งข้อห้าคือเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของการระวังคาพูดที่อยู่ในสัมมาวาจาไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดให้คนแตกกันไม่พูดทย์เจ์ใช่ถ้าสมมุติว่าคนที่มีความจําเป็นนะคะมีงานเลี้ยงต้องมีการดื่มมีโต๊นะคะ มีชนแก้วกันอืมจิบเล็กๆน้อยๆแต่จิบเพื่อเป็นพิธีอย่างเงี้ย่ะท่านค่ะแล้วยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาวาจานะคะยังเป็นเรื่องสีห้าก่อนอืมเอ่อก็ถ้าดูตามบทเพลญชนะนะั่นพระเจ้าบอกว่าเครื่องดื่มอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะคือสุราและไม่อะไรนะถามว่าคุณดื่มไปแล้วมันประมาทเนี่ยวัดยังไงที่ความประมานะทนั่นพระเจ้าก็ได้เคยพูดถึงความประมาทเนี่ยวัดที่ทำทั้งหลายไม่ปรากฏนะหรือวัดที่วาจาก็ได้ว่า วาจาของเราเนี่ยเพื่อเจอสอเสียดคําหยาบเริ่มออกมาอันนี้จิตคุณเริ่มประมาทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานในลนักษณะที่มันไม่เป็นอย่างนั้ น, น, นก็ยังไม่เข้าประมาท ย, ยังไม่เข้ากายประมาทซึ่งถ้าเรามาดูในมงคลสูตรนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการสํารวมในการดื่มน้ําเมา น, นเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งสํารวมในการดื่มน้ําเมาคุณโยมติวิกิดูเป็นมงคลอย่างยิ่งนะแสดงว่าที่โท a ดื่มนิดนิดหน่อยห่อยเนี่ยมันมันก็ พอเป็นไดคนะ้คือไม่ได้ดื่มเป็นประจําไม่ได้ดื่มเพื่อที่จะดื่มมากเกินไปแล้วก็เป็นพูดเพอร์เจอร์พูดคำหยาบพวกนี้เราเราไม่เป็นค่ะนะ <Okay. S 1> <ม>นก็คงจะทําให้แฟนรายการที่กําลังคิดว่าเลิกฟังแล้วแต่ยังอยู่ในประเภทที่ดื่มแบบสํารวมอย่างยิ่งมีโอเคอยู่นะคะคือคือถ้าอาตมาบอกว่าได้เนี่นะเราก็จะเปิดช่องดื่มชีฟลงให้กระลอกอ่ะค่ะอนนี้ <laughs> ถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดดิเช่นเคยโอเคเพราะเพราะว่า คืออยากจะให้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าขอประธานโทษใช้คำนี้ล้กันนะคะไม่ใช่การร่อนกับทมก็คือก็เลยฉวยโอกาสว่าไอ้คำว่าดื่มพอไม่ประมาทของแต่ละคนเนี่ยสำรวมของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยดื่มเออเอาเอ้ๆๆเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ต้องซื่อสัตย์กับธรรมใช่ตรงนี้แหละที่พระเจ้าเลยเตือนไงว่าให้เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อย ค่ะเราเราอย่าประมาทให้ได้อยประมาทซะก็จะได้ทำให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจในการที่จะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติทีนี้มาพูดในลักษณะอีกแบบหนึงนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ดื่มมานานก็มีความสามารถสูงที่เรียกว่าคอแข็งแล้วก็เข้าใจเข้าใจว่าไอ้ที่ดื่มทุกครั้งจะดื่มได้เยอะเยิมคนดื่มเป็นขวดเลยนะคะอาการยังเหมือนไม่ค่อยเมาอย่างเงี้ยนะคะ มีมีวิธีวินิจฉัยไหมคะหรือพระไม่วินิจฉัยละโยงไปวินิจฉัยเองเดี๋ยวจะมาหาว่าพระที่ช่องอีก ค, อคือคือดื่มเนี่ยไม่ควรเลยหละควรหลีกเลี่ยงไปเลยละ่ะควรที่จะเลิกไปเลยหละควรที่จะหยุดเลยควรที่จะอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเอาแค่ว่าไม่ต้องแค่ดื่มค้าขายสุรานี่ก็ไม่ควรทําอยู่แล้วะนะคือบางคนไม่ดื่มเองแต่ค้าขายนี่ก็ก็ไม่ควรทําเลิกไปเลยเพราะมันเป็นที่ตั้งของความประมาทมันมีตัวอย่างอยู่อย่างหนึ่งจากเกาหลีนะคะอือม เมื่อไม่นานไม่นี้เองข่ดข่าวดังเชื่อมีเด็กดาราที่เป็นคนไทยที่นุ่นเขาเรียงนิคุณนะคะคุณนิชคุณ uh huh. มีอุบัติเหตุแล้วเขาพบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายทีนี้มันก็มีข่าวตามมาว่าที่นั่นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ถึงขนาดว่ามีโปสเตอร์โฆษณาถ่ายมูกับเพื่อนดาราคนอื่นคด uh huh. สินค้าชนิดหนึ่งไปแล้วเขาตัดภาพ ของน้องคนนี้ออกไปเลยค่ะก็เนี่ยเห็นได้ชัดเจนแต่ ว, ว่าคนที่ไม่มีสีนเนี่ยเข้าสู่บริษัทไหนก็จะมีความเครื่อคราา ม, มีความไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีศีก็จะทำให้เรามีความร้อนใจอย่างนี้ก็ความร้อนใจเกิดขึ้นละค่ะแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องทางการค้าของเขาด้วยเพียงแต่ว่า ถ้าเรามองในมุมศาสนาแล้วเลี้ยงได้เป็นดีถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้ประนามใครเพราะเราถือว่าท่านยังมีลมหายใจท่านมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกันได้ทุกคนแน่นอนแน่นอนอันอนี้ น, น, น, นะคะท่านครับพอดีเวลาใกล้หมดที่ทนขออนุญาตที่จะกราบลาท่านเพื่อไปสรุปฮะกราบขอบพระคุณค่ะท่านฝังพิครบคะแล้วนั่นก็คือพระอาจารย์ภัยบุญอ่ะี่ปุณโนโจากวัปดปารอนไฮโซอุดรธานีนะคะและดิฉันสันสินาพง์ก็อยากจะสรุปว่า ในเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดก็คืออยากจะสนับสนุนให้ท่านเห็นว่าความเป็นมนุษย์นั้นคุณสมบัติคือการไม่เบียดเบียนกันการไม่เบียดเบียนกันก็มาดูจากในเรื่องของการมีศีลการมีศีลห้าสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่เป็นปกติแต่ในระหว่างการเป็นมนุษย์ของเราแล้วอาจจะมีพลาดลั้งบ้างก็ขอให้ท่านรู้ว่าตั้งหลักยามที่มีลมหายใจกลับคืนไปสู่ความเป็น มนุษย์อย่างสมบูรณ์กันเพื่อผลที่ทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในชีวิตนี้และถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะคะโอกาสที่จะตกต่าลำบากมากไปกว่าความเป็นมนุษย์คือไปเป็นที่พุูมตามกว่าเช่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็น้อยค่ะวันนี้เราก็คงจะสั่งลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ใครที่อยากได้นังสือก็โทรมาที่022690006นังสือชื่อพุทธวั จ, จะนะโดยพระอาจารย์คริตริศโสธิพโลมอบให้มานะคะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวัจนสวัสดีคะ่ะ